จเจริญเจริญทรัเย์ชาวไฟฟ้าพวกเราครั้งนี้เป็นครั้งที่สองในหลวงพ่อมาเทศที่การไฟฟ้าที่นี้คราก่อนที่มาเนี่ยมีใครเคยมาฟังบ้างยกมือหน่อสิอนาเนี่ยสำรวจไว้แล้วใครฟังแล้วเอาไปปฏิบัติ บ, บ้างยกสิ โอ้หนาแน่นนะสาธุเลยนะธรรมะฟังเล่นๆก็สบายใจดีแต่ได้ประโยชน์ไม่มากถ้าอยากได้ประโยชน์มากก็ต้องไปปฏิบัติเนาะธรรมะจะคุ้มครองผู้ประพฤตธรรมแต่ขั้นแรกเราต้องคุ้มครองธรรมะก่อนคือใจเรายังไม่ค่อยมีศีลมีธรรมในเบื้องต้น เราก็ต้องตั้งใจรักษาศีลเราพึ่งธรรมต้องตั้งใจก่อนรักษาธรรมะไว้ก่อนอย่างเคยทำผิดทำบาปก็ต้องลดเมน้นไม่ทำผิดไม่ทำอาภุดสนค่อยฝึกจิตมันอยากทำบาปจิตมันอยากทำชั่วนี่เป็นเรื่องธรรมดาเราอยู่ในสังสารวัตเวียนตายเมียนเกิดมานาน ทำผิดทำบาปมาบางทีก็ชินทำแล้วทำอีกก็ต้องห้ามใจตัวเองเบื้องต้นต้องตั้งใจรักษาธรรมะก่อนก่อนที่ธรรมะจะมารักษาเราเราต้องรักษาธรรมะก่อนเรื่องแต่ตั้งใจรักษาศีลตั้งใจฝึกจิตฝึกใจของเราให้อยู่ในปรัสญาความสงบถ้าใจมันฟุ้งซ่านมากมันพัฒนายากเหมือนน้ามันกระเพื่อม เรามองอะไรลงไปในตู้น้ํานะน้ําก็เพื่อมกระเพิ่มอยู่นีมองไม่เห็นว่าข้างล่างมีอะไรบ้างในจิตใต้สํานึกเรานี่เหมือนกันถ้าจิตเราฟุ้งซ่านก็เพื่อมกระเพิ่มอยู่เราดูลงไปไม่ถึงจิตใต้สํานึกของตัวเองไม่เห็นตัวจริงของตัวเองที่ซ่อนเร้นอยู่แค่เห็นแต่ผิวเผินเพราะว่าเราเป็นคนดีแล้วดีแล้วในความเป็นจริงเราซ่อนอะไรต่ออะไรซ่อนกิเลสเอาไว้แยะแต่ละคนสะสมอนุสัยเอาไว้มากมาย ถ้าเรามาฝึกจิตนะให้มันตั้งมั่นให้มันสงบให้มันสบายเหมือนมีน้ํานิ่งเวลามองลงไปก็จะทะลุก็ไปเห็นลึกลงไปถึงก้นของมันนะเห็นลงไปถึงจิตใต้สํานึกมีกิเลสอะไรซ่อนอยู่ก็จะรู้ทันเนี่ยอันนี้เราต้องตั้งใจค่อยๆฝึกเอาในแต่ตอนนี้ธรรมะยังไม่ได้รักษาเรานะตั้งใจรักษาศีลตั้งใจฝึกจิตมันให้มันสงบให้ตั้งมั่น นี่ยเราก็เรารักษาศีลมากๆเข้านะแต่ไปศีลรักษาเราเวลาเราจะทําผิดทําบาปอะไรมันไม่ทํานะมันละอายใจละอายใจที่จะทําบาปทําชั่วแล้วก็รู้ว่าถ้าทําบาปทําชั่วเนีมีผลไม่ดีนะก็เกรงกลัวผลของความปรับชั่วก็เรียกว่ามีจริยวตปา เวลาเราจะทำผิดขึ้นมาเนี่ยมันจะละอายใจตัวเองเรียกว่าศีลเริ่มคุ้มครองเราแล้วเราจะไม่กล้าทำใจก็เหมือนกันใจเคยฟุ้งซ่านเคยสนุกสนานหลงโลกเรามาหัดฝึกจิตฝึกใจให้มันอยู่กับธรรมะบ้างอยู่กับพระพุทธเจ้าอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจฝึกไปเรื่อยใจหนีไปแล้วรู้ทันใจหนีไปแล้วรู้ทันฝึกอย่างนี้เรื่อย ต่อไปธรรมะจะคุ้มครองเราเองคือเวลาใจมันหลงไปเนี่ยสติมันจะรู้ทันขึ้นมาไม่ได้เจตนาจะรู้นะจิตหลงตามกิเลสไปพอสติระลึกรู้ปั๊บเนี่ยกิเลสก็ดับไปจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาสงบเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมา คามฉันทะเกิดขึ้นคือความยินดีความพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสเกิดขึ้นเรามีสติรู้ทันมีสติรู้ทันใจก็สงบขึ้นมาไม่หลงตามคามมัฉันทะนิวรณ์ใจเกิดพยาบาทขึ้นมาเรามีสติรู้ทันใจก็ไม่หลงไปกับความพยาบาทเนี่ยค่อยฝึกค่อยรู้ค่อยดูของเราเนืองเนือง พอฝึกมากเข้ามากเข้านะต่อไปมันเป็นอัตโนมัติไปหมดเลยจิตไหลไปเราก็รู้ทันจิตไหลไปก็รู้ทันแรกๆยังไม่อัตโนมัติเนี่ยเราต้องตั้งใจรักษาจิตใจให้สงบสก่อนต่อมาพอเรารักษาจนอัตโนมัติแล้วใจไหลไปนิดเดี๋ยวเราก็รู้ทันนะ ไหลไปหารูปหาเสียงหากลิ่นหารสหาสัมผัสเราก็รู้ทันไหลไปขัดเคืองไม่พอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสเราก็รู้ทันนะเรียกวไหลไปในพยาบาทไม่ชอบอกชอบใจไหลไปจับอารมณ์โน้นทีหนึ่งจับอารมณ์โน้นทีหนึ่งอย่างนี้เรียกว่าฟุ้งซ่านถ้าเรามีสติรู้ทันจิตมันก็ไม่ไปฟุ้งซ่านไหลไปในความลังเลสงสัยในพารัตนาใจเรามีสติรู้ทันนะจิตก็ไม่ ไปในความลังเลสงสัยบางคนก็ซึมซึมไปจิตไหลไปลงไปอยู่ในความซึมนะมีสติรู้ทันนะจิตก็ตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาเนะนี่ค่อยๆฝึกทีแรกต้องพยายามรักษามันก่อนต่อไปมันรักษาตัวเองนะแถมรักษาจิตใจของเราด้วยจะทำผิดศีลเคยทำผิดได้เราตั้งใจไม่ทำต่อมาไม่ต้องตั้งใจมากนะ แค่คิดจะทำมันก็ละอายแก่ใจมันไม่ทํำเคยฟู้งซ่านตั้งใจฝึกจิตฝึกใจอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจอยู่กับท้องฟองยุบอะไรก็ได้ฝึกไปเรื่อยต่อไปมันไม่ฟู้งซ่านมีอะไรเกิดขึ้นจิตก็กลับมาอยู่ที่พุทโธจิตกลับมาอยู่กับลมหายใจจิตมันก็สงบขึ้นมามันจะฝึกเขาง่ายเข้าง่ายเข้าในขั้นของการเจริญปัญญาเหมือนกันขั้นแรกๆเนี่ย เราต้องฝึกต้องหัดอยู่ๆจะให้เกิดปัญญาเนี่ยมันไม่ได้ถ้าเราต้องการให้เจริญปัญญาเราต้องรู้ก่อนว่าปัญญาจริงๆคืออะไรปัญญาจริงๆเนี่ยคือความเห็นการเห็นความเป็นจริงของรูปนามของกายของใจความจริงของรูปนามของกายของใจก็คือความเป็นไตรลักษณ์เพราะฉะนั้นถ้าจะถามว่าปัญญาเนี่เห็นอะไรปัญญาเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจของสิ่งที่เรียกว่าตัวเรานั่นเอง ถ้ามีปัญญาจะเห็นความจริงของกายของใจนี่ทำยังไงจะเกิดปัญญาต้องฝึกนะในขั้นแรกธรรมะยังไม่ช่วยเรานะปัญญายังไม่มาช่วยเราเราต้องสร้างปัญญาขึ้นมาก่อนวิธีฝึกก็คือให้มีสติคอยรู้กายรู้ใจบ่อย ต้องรู้ด้วยจิตที่ตั <cuarto material> <S <S ้งมั่นเป็นกลางถ้ารู้ด้วยจิตที่ไม่ตั้งมั่นจิตที่ไม่เป็นกลางนะจิตมีอคติหนเห็นสภาวะอย่างนี้ก็ชอบเห็นสภาวะอย่างนี้ก็เกลียดจิตไม่เป็นกลางถ้าจิตไม่เป็นกลางเนี่ยจิตจะเข้าไปแทรกแซงเช่นเห็นความสุขเกิดขึ้นหลงยินดีอยากให้อยู่นานๆเข้าไปแทรกแซง เห็นความทุกข์เกิดขึ้นอยากให้หายไปเร็วๆนี้ก็เข้าไปแทรกแซงมีแต่เรื่องเข้าไปแทรกแซงถ้าเราเข้าไปแทรกแซงเราจะไม่เห็นของจริงไม่เห็นความจริงถ้าอยากเห็นของจริงอยากเห็นความจริงต้องดูด้วยความเป็นกลางจริงๆดูแบบไม่มีอคตินะใจเป็นกลางดูอย่างที่มันเป็นเราจะดูกายอย่างที่กายเป็นกายเป็นยังไงกายเป็นเป็นตัวรูปเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขา อย่างเส้นผมนะเรามาดูลายดูทีละส่วนก็ได้เส้นผมเป็นคนไหมมีใครเห็นผมเป็นคนไหมผู้ชายแหละบอกผมเป็นคนผู้หญิงก็ดีฉันเป็นคนนะอันนั้นไม่ใช่นะสมัยถึงเส้นผมถ้าดูลงไปเส้นผมไม่ใช่คนเอาไปตัดทิ้งก็ได้นะผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยดูลงไปไม่ใช่คนอะอย่างหนังเราลอกนะตกสะเก็ดตกอะไรลอกไปลอกไป ไม่เห็นมันเป็นคนตรงไหนเลยเนี่ยดูลงไปเรื่อยๆร่างกายที่ยืนร่างกายที่เดินร่างกายที่นั่งร่างกายที่นอนร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าไม่เห็นว่ามันเป็นคนที่ตรงไหนเลยนะเฝ้ารู้สึกอยู่เฝ้ารู้เฝ้าดูลงไปมีแต่ของไม่เที่ยงมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลาเช่นหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกหายใจออกแล้วหายใจเข้ามิตรใหญ่เนียึกไป กินอาหารแล้วก็ขับถ่ายเห็นไหมขับถ่ายเสร็จแล้วก็ไปกินอาหารอีกมวนเวียนอยู่นี่เองนะดูไปเรื่อยๆมีแต่ของไม่เที่ยงนะมีแต่ของทนอยู่ไม่ได้มีแต่ทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาในร่างกายนี้นั่งอยู่ก็ทุกข์นะยืนอยู่ก็ทุกข์เดินอยู่ก็ทุกข์นอนอยู่ก็ทุกข์มีแต่ทุกข์นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปเลยเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูมากๆดูด้วยใจที่ซื่อๆไม่เข้าไปแทรกแซ ดูกายอย่างซื่อๆว่ากายจริงๆไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาบางคนดูเฉยๆไม่ไม่ไม่เกิดปัญญาคนซึ่งยังไม่เคยฝึกเจริญปัญญามาก่อนเนี่ยเวลามีสติรู้ตัวขึ้นมาแล้วมาดูกายไปเพ่งกายไว้นิ่งๆไปไเพ่งกายให้นิ่งอยู่เนี่ยไม่เกิดปัญญาจริงต้องไม่ให้มันนิ่งนะจิตถ้ามันนิ่งเป็นผู้รู้ผู้ดูจริงจะดูกายไปกายมีแต่ของไม่เที่ยงอยไปทำกายให้นิ่งๆตลอดเวลา หายใจออกแล้วหายใจเข้านี่เขาแสดงความไม่เชี่ยงนะเข้าดูลงไปถ้าดูไม่เห็นต้องช่วยเป็นคิดพิจารณาเคยได้ยินแมครูบาจารย์สายวัดป่าท่านชอบสอนนะให้คิดพิจารณากายคนไหนถ้ามีสติรู้ตัวขึ้นมาแล้วเนี่ยยังมองไม่ออกว่าร่างกาย ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นนนัตตาต้องช่วยมันพิจารณาก่อนเป็นการปรับสัญญานําร่องให้มันหัดมองในมุมของความเป็นไตรลักษณ์บ้างตลอดเวลาที่ผ่านมาสัญญาของพวกเรารียกว่าสัญญาวิบล่าสัญญาที่เพี้ยน เรามองทีไรมันก็มีเราทุกทีเรามาปรับมุมมองใหม่ค่อยๆสอนมานันหัดมองซะบ้างว่าร่างกายไม่เที่ยงหัดมองซะบ้างว่าร่างกายเป็นทุกหัดมองซะบ้างว่าร่างกายไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขานี่คือการหัดคิดหัดพิจารณาในการสอนให้จิตมองต่างมุมแต่เดิมจิตมองมุมเดียวนะว่าร่างกายนี้เป็นตัวเรามาหัดให้มันมองต่างมุมมันจะเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราหัดมองอย่างนี้ ต่อไปมันจะเห็นของมันเองนี่บางคนเนี่ยเคยอบรมปัญญามาแล้วในชาติก่อนๆนะหรือเคยฝึกกรรมฐานฝึกเจริญปัญญามาแล้วพอจิตตั้งมั่นปั๊บเนี่ยมันเห็นเองเลยนะเห็นเองเลยว่าร่างกายไม่ใช่เราหรอกร่างกายเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุพวกนี้ไม่ต้องคิดมากพวกไหนที่รู้สึกตัวแล้วเนี่ยก็เห็นร่างกายเป็นร่างกายอยู่อย่างนี้นะเห็นคนเป็นคนอยู่อย่างนี้ช่วยมันพิจารณาเป็นการปรับมุมมองของจิตเนื่อ ปรับมุมมองของจิตซะก่อนแล้วก็ไปหัดดูหัดดูจิตมันคุ้นเคยที่จะมองต่างมุมต่อไปมันก็จะหัดมองได้เออร่างกายนี่ไม่เที่ยงจริงๆนะร่างกายเป็นทุกข์จริงๆร่างกายไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนจริงๆจะเห็นอย่างนี้จะดูจิตดูใจก็เหมือนกันหัดมองต่างมุมบ้างแต่เดิมเราเห็นว่าในร่างกายเหล่านี้มีเราอยู่คนหนึ่งรู้สึกไหมในนี้มีเราคนหนึ่งเราคนนี้กับเราตอนเด็กๆเราคนเดียวกันรู้สึกไหม มีใครรู้สึกว่าเราเดี๋ยวนี้กเราตอนเด็กๆเป็นคนละคนช่วยยกมือหน่อยมีไหมใครรู้สึกว่าเป็นคนเดียวกันมีไหมหลวงพ่อกำลังดูพวกที่เฉยๆพวกนี้จะเป็นแบบไหนล่ะเป็นก็ไม่ใช่ไม่เป็นก็ไม่ใช่นะไม่ยึดถืออะไรสักอย่างในใจเรารึกๆเลยนะมันจะรู้สึกมีเราอยู่ะไม่รู้สึกนี้ตลอด วันใดที่จิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูได้เราฝึกไปเรื่อยจิตไหลไปเรารู้ไหลเรารู้นะจิตสงบจิตตั้งมั่นอยู่กับเนือกับตัวถ้าคนไหนันเคยเจริญปัญญามาแล้วเคยดูจิตดูใจแล้วเจริญปัญญาจะเห็นว่าจิตมันทํางานเองจะเห็นเลยเดี๋ยวจิตก็สุขเดี๋ยวจิตก็ทุกข์เดี๋ยวจิตก็ดีเดี๋ยวจิตก็ร้ายหมุนเวียนเปลี่ยนไปตลอดเวลาไม่เลิกหมุนไปเรื่อยๆไม่มีตัวเราที่ตรงไหนเลยจะเห็นอย่างนี้แต่ถ้าบางคน รู้ตัวแล้วดูจิตแลนวก็นิ่งๆว่างๆอยู่อันนี้ต้องช่วยมันจิตนะจิตพิจารณาปรับมุมมองของจิตให้หัดมองต่างมุมบ้างมองให้ออกว่ามันไม่เที่ยงนะมองให้ออกว่ามันเป็นทุกข์มองให้ออกว่ามันไม่ใช่ตัวใช่ตนไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาหัดสอนให้มันมองพอมันมองมากๆหัดสอนมันมากๆนะต่อไปมันเห็นของมันเองให้เห็นเเองราไม่ได้เจตนาจะเห็นนะมันก็เห็นนะว่ามันไม่เที่ยง ไม่เจตนาจะเห็นนะก็เห็นมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่เราเห็นเองเนี่ยถ้าถึงขั้นที่มันเป็นเองมันเห็นเองนะเนี่ยธรรมะจะมาช่วยเราแล้วช่วยอะไรช่วยให้หายโง่ปัญญานี้ช่วยให้หายโง่นะนะปัญญานี้เป็นตัวต่อสู้กับความโง่นะสมาธิช่วยเราให้หายฟุ้งซ่านนะ ศีลเนีช่วยเราไม่ให้ทําผิดทา <ำ S 1> <ทำ S 1> บาปท <ำ S 1> าง ก, กายทางวาจาเนี่ยเราต้องฝึกนะขั้นแรกเราต้องช่วยศีลก่อนช่วยให้ตัวเองมีศีลช่วยให้ตัวเองมีสมาธิช่วยให้ตัวเองเกิดปัญญาด้วยการหัดรู้กายหัดรู้ใจตามความเป็นจริงให้มาก ต่อไปศีลจะมาช่วยเร า, า, าเวลาเราจะทําผิดจะละอายใจไม่กล้าทําเวลาจะฟุ้งซ่านก็รู้ทันขึ้นมาว่านี่ไม่เห็นมีสาระอะไรฟุ้งไปวันหนึ่งวันหนึ่งจริงก็สงบขึ้นมานี่ธรรมะมาช่วยเราแล้วให้ให้เข้ามาสู่ความสุขความสงบ จิตใจก็ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาปัญญาเบื้องต้นก็ต้องช่วยมันคิดที่จะนาบ้างหรือตามรู้ตามดูกายตามรู้ตามดูจิตใจเนืองๆจนมันเกิดปัญญาเห็นความจริงกายนี้ใจนี้ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาถึงตรงนี้นะธรรมะมาช่วยเราได้มหาศาลเวลาเกิดอะไรขึ้นในชีวิตจะกลัวอะไรมันไม่มีคนมันไม่มีเราจะแก่ร่างกายมันแก่ไม่ใช่เราแก่ธรรมะมาช่วย นะเวลาแก่ขึ้นมาก็เห็นแค่ร่างกายแก่ไม่ใช่เราแก่ไม่ทุรลดุรหลาร่างกายมันเจ็บไม่ใช่เราเจ็บนะร่างกายมันเจ็บไม่ใช่เราเจ็บมันก็ไม่ทุรลดุรหลาใจนะร่างกายมันตายไม่เกี่ยวกับเราเราเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูร่างกายอยากตายก็เลือกของร่างกายแม้ธรรมะมาช่วยเราทําให้เราไม่ต้องทุกข์มาก หรือเวลาที่เราเจอกับสิ่งที่ไม่รักประสบกับสิ่งที่ไม่รักบางคนเจอเพื่อนร่วมงานที่ไม่ถูกใจเจอผู้บังคับบัญชาไม่ถูกใจหรือเจอคู่ปรอกไม่ถูกใจที่แรกก็ถูกใจนะพอมาอยู่กันจริงๆแล้วพบว่ายังไม่ใช่ไม่ใช่ตัวจริงหรอกนี่ตัวปลอมต้องหาใหม่ก็ปลอมอีกแหละปลอมไปเรื่อยๆนะบางคนปลอมมาตลอดชีวิตเลยมีแต่ความไม่ถูกใจต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักมีความทุกข์ แต่ถ้าสติปัญญาเราแก่กล้าแล้วธรรมะจะมาช่วยเราจิตใจไม่ชอบขึ้นมาจิตใจไม่ชอบผลกนนี้สติรู้ทันนะความไม่ชอบมันหายไปเองนะมันก็อยู่กันได้นะอยู่อย่างมีความสุขได้นะ เวลาเราพลาดาดจากสิ่งที่รักทุกเราทุกคนวันหนึ่งจะต้องพระดาดจากสิ่งที่รักนะทุกคนไม่มีข้อยกเว้นสิ่งที่เรารักที่สุดก็คือตัวเราเองกายนี้ใจนี้นี่วันหนึ่งต้องพระดพาดแน่นอนคนที่เรารักรองลงไปนะอย่างพ่อแม่ลูกเราสามีพัญยาเราวันหนึ่งก็ต้องพระดาดจริงๆพระดาดทุกวันแหละนะใช่หมออกจากบ้าน ไปเป็นคนละถางหรืออยู่ที่ทํางานเดียวกันอย่างน้อยอยู่ห้องเดียวกันอยู่นั่งคนละโต๊ะเลยไม่ได้นั่งโต๊ะเดียวกันนะสามีภรรยาต้องนั่งร่วมโต๊ะทํางานไม่มีใครเขาทําอย่างนั้นหรอกเวลากินข้าวเห็นไหมเกาพลาดคลาดต่างคนต่างไปหวานแห้วแค่ไหนนะก็พลาดพลาดนี่พลาดเล็กพน้อยนะถึงวันหนึ่งพลาดใหญ่นะพลาดใหญ่ต่างคนต่างไปใครไปก่อนคนที่เหลือเขาก็หาคนใหม่มาอยู่แทนได้เพราะฉะนั้น คนที่เราเป็นที่รักในที่รักของเราวันหนึ่งก็ต้องพลาดพราดยังไงก็ต้องพลาดพราดไม่มีทางที่ว่าเมื่อมีสิ่งที่รักแล้วไม่พลาดพลาดจิตที่ฝึกดีแล้วเนี่ยเมื่อพลาดพราดจากสิ่งที่รักไม่ทุกข์มากหรอกถ้าฝึกสมบูรณ์แบบไม่ทุกข์เลยเจอสิ่งที่ไม่รักก็ไม่ทุกข์พลาดพลาดจากสิ่งที่รักก็ไม่ทุกข์หวังอะไรปรารถนาอะไรแล้วไม่สมหวังเคยทุกข์นะหัดภาวนามากๆเข้า มีความหวังขึ้นมาก็รู้นะทําได้ก็ทำทำเต็มที่ทําเต็มที่ผลมันได้แค่นี้แหละก็สันโดษในผลคำว่าสันโดษเนี่ยไม่ใช่แปลว่าขี้เกียจสันโดษหมายถึงว่าทําเหตุให้เต็มฝีมือเลยนะขยันเช่นอยากเลื่อนเงินเดือนเยอะๆนัขยันทํางานทํางานเก่งทํางานดีทําเต็มที่ส่วนทําเต็มที่แล้วจะได้เลื่อนหรือไม่ได้เลื่อนเนี่ยตัวนี้เราบังคับไม่ได้แล้วนะสมมติว่าหัวหน้าเขาไม่ให้คนอื่นนะครับ สองขั้นของเราควรจะได้สองขั้นให้ขั้นครึ่งมีไหมขั้นครึ่งที่นี่มีไหมยังไม่มีแล้วใช่ไหมสมัยโลงพ่มีนะมีขั้นครึ่งสองขั้นอะไรเงี้ยแล้วตอนอยู่การโทรศัพท์มีแบบซอยขั้นเล็กขั้นน้อยเราทางานเต็มที่ผลมันอยู่ที่คนอื่นประเมินนะหัวหน้าประเมินได้แค่นี้ตัวนี้ต้องสันโดษนะ ไม่พอใจขึ้นมากลุ้มใจนะกลุ้มใจงั้นถ้าเราฝึกจิตฝึกใจมากๆนะ อะไรเกิดขึ้นไม่ทุกมากหรอกนี่ธรรมะคุ้มครองเราแล้วะงั้นเราฝึกนะวันหนึ่งเรามีที่พึ่งที่อาศัยเรามีธรรมะเป็นเกราะคุ้มครองป้องกันความทุกข์ป้องกันความชั่วที่จะเกิดขึ้นทางกายทางวาจาด้วยศีลป้องกันความฟุ้งซ่านของจิตใจด้วยสมาธิป้องกันความโง่ด้วยปัญญาเนี่ยหน้าที่ของธรรมะนะศีลสมาธิปัญญาทำหน้าที่ของตัวเองแต่ทำหน้าที่คนละระดับกัน ศีลทาหน้าที่ทำให้เราไม่ตกอยู่ใต้ราคะโทสะโมหะที่รุนแรงจนกระทั่งทำผิดทำบาปทางกายทางวาจาสมาธิทำให้เราไม่ตกอยู่ใต้กิเลสระดับกลางคือนิวรณนทาให้ใจฟูงซ่างปัญญาเนี่ยทำให้เราพ้นจากกิเลสชั้นละเอียดที่สุดคือความโง่ความโง่ในความไม่รู้เนี่ยคือกิเลสชั้นละเอียดที่สุดอันแรกเลยโง่ว่ามีตัวเรา พอฝึกมากเข้ามากเข้าก็เห็นมีแต่ร่างกายเห็นมีแต่จิตใจเห็นรูปเห็นเวทนาเห็นสัญญาเห็นสังขารเห็นวิญญาณแต่ละอันแต่ละอันไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเห็นอย่างนี้ได้นนได้เป็นทศดาบันนะ แต่ไปปัญญาแก่กล้าขึ้นมาเห็นอีกกายนี้ทุกล้วนล้วนจิตนี้ทุกขล้วนล้วนไม่ใช่มีทุกข์บ้างสุขบ้างมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยร่างกายนี้มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยจิตใจมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยซึ่งคนเขลาเห็นว่าตรงทุกข์น้อยนั่นแหละคือความสุขผู้มีปัญญาไม่หลงไม่เผลอไม่ประมาทัวเมาก็จะเห็นแต่ว่ามีทุกข์มากกับทุกข์น้อย เมื่อเราเห็นร่างกายเห็นจิตใจนี้มีแต่ทุกข์มากกว่ทุกข์น้อยเห็นซ้าแล้วซ้าอีกซ้าแล้วซ้ำอีกนะใจมันจะเบื่อมันจะรู้สึกว่าไม่ใช่ของดีไม่ใช่ของวิเศษอะไรแล้วร่างกายนี้หรือจิตใจก็เหมือนกันเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายแต่เดิมคิดว่าจิตใจก็มีความสุข หัดมากเข้ามาเข้าก็บว่าความสุขในใจไม่เที่ยงเลยสั้นนิดเดียวเช่นเราได้อะไรมาที่อย่างนั้นดีใจแป๊บเดียวนะเดี๋ยวอยากได้อื่นอีกนะนั่นความสุขมันหลอกๆอกนะหลอกให้เราวิ่งตลอดชีวิตเลยถ้าหัดภาวนามากเข้ามาเข้ารู้ท่านจิตรู้ทันใจตัวเองบ่อยๆจะเห็นเลยความสุขจริงๆไม่มีเลยเหมือนภาพลวงตาเป็นสิ่งที่มารมาล่อเราหลอกให้เราวิ่งไปเรื่อยๆหลอกให้เราแสวงหาไปเรื่อยๆหามาเหมือนเหมือนจะได้เหมือนเหมือนจะหยิบมาได้ แล้วมันก็หลุดมือไปทุกทีเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูนะจะรู้เลยตัวจิตเองก็มีแต่ทุกข์ทุกข์มากกับทุกข์น้อยไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้าง่ายนี้ก็มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างถ้าเห็นอย่างนี้มันจะวางถ้ายังเห็นว่าทุกข์บ้างสุขบ้างนะไม่วางยังดิ้นหาความสุขยังดิ้นหนีความทุกข์ไปเรื่อยๆตลอดชีวิตแต่ถ้าเห็นความจริงแล้วมีแต่ทุกข์ล้วนๆนะถ้าเห็นอย่างนี้จิตมันวางแล้ว บอกให้มันถือไว้มันไม่ถือหรอกจะถือทําไมมันมีแต่ทุกข์พวกเราบอกให้ทิ้งมันไม่ทิ้งหรอกมันคิดว่ายังมีโอกาสมีความสุขอยู่นะเพราะเรายังไม่เห็นจริงงั้นอยากเห็นจริงนะมีสติรู้กายรู้ใจบ่อยๆดูเบือกบ่อยๆดูว่าจริงๆมันสุขหรือมันทุกข์มันดีหรือมันไม่ดีมันเที่ยงหรือมันไม่เที่ยงมันใช่ตัวเราหรือมันไม่ใช่ตัวเราดูบ่อยๆดูบ่อยๆจนวันนึงหายโง่ใะฉลาดขึ้นมาเลยรู้เลยมีแต่ทุกข์มากกว่าทุกข์น้อยถ้าเห็นว่ากายนี้ใจนี้มีแต่ทุก เรียกว่าเรารู้ท <Jub ilee> ุกข yeah. <y out ube> <y out ube> ์แ mm จ่มแจ้งนะครัพราะทีเจ้าสอนให้รู้ทุกข์นะไม่ได้สอนให้ละทุกข์ไม่ได้สอนให้หนีทุกข์งั้นเราดูลงมาในกายนี้มีทุกข์ล้วนๆในจิตใจมีแต่ทุกข์ล้วนๆเรียกว่าเรารู้ทุกข์พอเรารู้ทุกข์แจ่มแจ้งมันจะปล่อยวางความยึดถือในกายในใจได้ไม่รู้จะยึดไปทําไมเราไม่ใช่ของดีเพรปล่อยวางนะจิตหยุดพ้นแลคราวนี้ก็เห็นแต่ธาตุแต่ขันเห็นแต่กายแตใจนี้ทํางาน ทำของมันไปด้วยใจเราไม่เกี่ยวนะจิตใจมันแยกมันคลากออกจากขันเห็นขันทําหน้าที่ของขันไปจาบจนวันที่ขันมันแตกมันดับไปจิตใจอยู่ต่ังหามีความสุขร่างกายจะแก่ส่วนของร่างกายไม่เกี่ยวอะไร ร่างกายจะเจ็บร่างกายจะตายส่วนของร่างกายไม่เกี่ยวอะไรจิตใจจะเป็นยังไงไม่เกี่ยวแต่ไม่ชั่วนะคนทำชั่วเขาขาดสติถึงตรงนั้นสติมันบรรบูลโดยอัตโนมัตินะแม้มันไม่ยึดไม่ถืออะไรนี่ถ้าพวกเราฝึกได้อย่างนี้นะฝึกไบ่อยๆฝึกให้ชานิชานาญ วันหนึ่งเราจะมีที่พึ่งที่อาศัยที่แท้จริงธรรมะนี่แหละจะปกป้องคุ้มครองเราจากความชั่วธรรมะนี่แหละจะปกป้องคุ้มครองเราจากความทุกข์ปกป้องคุ้มครองจากความทุกข์ได้ไงขันห้านั่นแหละตัวทุกข์พอธรรมะเราแก่กล้าเต็มตัวนะแก่รอบเต็มตัวแล้วมันลอยวางขันห้าโยนขันห้าทิ้งไปก็คือโยนตัวทุกข์ทิ้งไปเพราะธรรมะคุ้มครองเราจากความทุกข์ จะพ้นจากความทุกข์เบื้องต้นก็พ้นจากความชั่วพ้นจากบาปพ้นจากอกุศลจิตใจก็พัฒนาเป็นลําดับลําดับไปสุดท้ายฉลาดพ้นจากความทุกข์ได้เอาละประมาณครึ่งชั่วโมงนะเทศยาวเดี๋ยวไม่มีเวลาไปทํางานเอาแต่เนื้อๆนะน้ำๆไปฟังซีเดียวเองมีสิบคนเชิญ ครับเร่องเชิญบอร์ที่หครับหมายเที่หน่ครับปรินท่านอาจารย์คือผมปฏิบัติแล้วชอบลืมการปฏิบัตินะครับเวลาปฏิบัติกหนดรู้ลมหายใจวันวันหนึ่งจะลืมบ่อยมากนะจะจะปิบยังไงคือเราต้องเลือกอารมณ์ที่จิตมันสนใจนะบางคนไปรู้ลมหายใจแล้วใจมันสงบเพิ่มเริ่มเริ่มลืมแล้วลืมตัวนี้เดี๋ยวหลงง่าย ถ้าหากเรารู้ลมหายใจแล้วมันยังลืมตัวง่ายเราหาอา ร, รมณ์ะำบัดฐานที่หยาบกวนะนะเช่นร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกนะมาช่วยมันหน่อยหรือไม่ก็หางานมาเพิ่มขึ้นเนะนะช่นช่วยมันบริกรรมหายใจอย่างเดียวมันลืมง่ายหัดพุทโธพุทโธกำลังกลับลงไปด้วยนะถ้าไม่ไหวจริงๆนะลุกขึ้นมาเดินเดินด้วยความรู้สึกตัวไปด้วยหามที่หยาบขึ้นมาดูไกล คืองานหลักของเราในการทํากรมารมฐานนะคือฝึกสตินั่นเองงั้นถ้าเราฝึกสติแล้วมันขาดสตินะก็ไม่เอาหรอกกรมรมฐานอย่างนั้นนะรเรื่องเอาที่มันจะกระตุ้นความรู้สึกตัวได้ดีครับครับขอบคุณครับคื อ, อรู้กายรู้ใจมาประมาณกว่ปีเลยครับใ <c oughs> นขณะที่เราเถลอไปแล้วรู้ว่ามีความคิดเกิดขึ้นนะ เหมือนว่าจิตเข้าไปบล็อกตำแหน่งที่เกิดความคิดนั้นชนมันซื่อๆแล้วก็มีอาการปวดเวยียนศีรษะเออแล้วเป็นเพียงไหมนะแล้วหลังจากนั้นก็มารู้กวกายอายใจเข้าอายใจออกแล้วบางทีก็มีการเคลื่อนเคลื่อนเคลนเคลื่อนกายใหายับมือก็เสียงต่างก็หายไปอมไม่ทราบว่ารำผิด ลงเพ่งเดียวเลยครับใช่แก้ยังไงครับอย่าไปเพ่งคือคือไม่ตั้งใจเพ่งนะครับมันไปเจอมันไปเจอความโลภความโลภเบื้องหลังนะนะอยากดีอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้อยากจะไม่เผลออยากจะมีสติตลอดเวลากลายเเพ่งนะนั่นเพ่งเนี่ยพื้นฐานมันคืออยากดีนะหลงเนี่ยพื้นฐานมันชั่วเพราะงั้นเราถือว่าเป็นคนดีนักเพ่ง ให้รู้ทันใจใจอยากดูพอลงมือปฏิบัติเนี่ยอยากดูแล้วใช่ไหมอยากดูอยากรู้ชัดๆอยากรู้ต่อเนื่องอยากรู้ตลอดเวลาพรมีสติรู้ลงไปเลยว่าใจมันอยากพอความอยากดับไปนะท่นนี้ก็ดูสบายๆแล้วก็หัดรู้ว่าเพ่งเป็นไงพอใจสลับลงไปเพ่งเรารู้ทันนะใจก็ถอนขึ้นมาอย่าอยากถอนถ่าอยากถอนขึ้นมาก็ไม่ดีนี่คือภาวนาอย่าให้ความอยากครอบงำ ปกติแล้วจะใช้วิหารธรามโดยการหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็เดินจงกรมไม่ทราบว่าเหมาะรับกักตัวของคนไหมครับหายใจจิสุนไปนิดนะเคล่นไหวไหนะของคุณจิตมันตามจะสุนพยายามเคลื่อนไหวไว้นะครับเคลื่อนไห ว, ไหไหวยังไงยับมือหรือว่าเกาอยู่แล้วอย่างตอนนี้นะครับ<อ><อ> <laughs> เนื้อเคลื่อขยับหน้ารู้สึกในกายบ่อยๆแต่อย่าไปเพ่งกายเท่าอีกล้วครับปกติเราจะมีการวิ่งมาแล้วจะรู้สึกว uh ่ามีปิติเกิดขึ้นและวิ่งแล้วก็หายใจก็บางครั้งก็กำหนดเรื่องอะไนะไม่ถ้าเป็นการเข้าช้างหรอกครับคือ เกิดวิตกวิจารในลมหายใจแล้วก็กายนั่งนะครับแล้วก็เกิดพิติสุขขึ้นมาแล้วก็เคยไม่นานก็ดับครับดูไปนะเขาทำได้ต่อไปไะครับทำได้ไม่ห้ามหรอกแต่ว่าอย่าให้จิตหลงจิตซึมนั่งสมาธิต้องประกอบด้วยสติถ้าขาดสติก็คือขาดจิตที่เปกุศล งั้นเราไม่นั่งให้โมหะครอบนะเคยได้อิจฉาครูบาอาจารย์สอนเรื่องโมหะสมาธิ่มิจฉาสมาธิมีจิตที่ซึมนะอย่าให้สึมอย่าใ้ซึมกระดูกกดิกไปเคลื่อนไหวไปัะจะได้เคลืนเค่อนไหวยังไงนี่ครับหาเนี่ยกระดุกะดิกไปเอากายไปช่วยนะเดินจงกรมก็ได้ไล้ไดเดินจงกรมไปเห็นกายมันเดินใจเป็นคนดูฝึกนี่เห็นไหมกายมันพยักหน้าใจเป็นคนดูแต่ระวังไปเพียงนี้นะ อย่างนี้แข็งแบบนี้ไม่ใช่เป็นธรรมชาติเ็นธรรมชาติมากๆเลยเราเครือหม่อยู่แล้วแล้วก็เวลานั่งสมาธิอย่าน้อมใจลงไปทำตัวเป็นแค่คนดูเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูฝึกนิดมนะมันจะไม่ค่อยซึมถ้าคิดว่าจะเริ่มต้นก็จะเอาให้สงบอย่างเดียวสัึมง่ายนะต่อไปผมฟังซีดีหลวงพ่อมาก็ปีกว่า วันนี้ก็เป็นวันแรกที่มาฟังเสียงสดๆของหลวงพ่อเดี๋ยวนี้เขาไม่เรียกนะหรอกเขาเรียกตัวเป็นแต่ยังไม่มีโอกาสได้เห็นตัวจริงๆของหลวงพ่อตัวเป็นะเด็กสมัยนี้มันพูดภาษาอะไรังวิทยกพี่กดนะเห็นตัวเป็นๆผมก็อาศัย ชีวิตประจําวันนี้ก็ตามรู้ตามดูอย่างนี้เดินก็รู้หายใจก็รู้อะไรอย่างนี้ไปเรื่อยๆดีไม่ทราบเป็นยังไงบ้างต้องรู้ให้จิตตั้งมั่นถึงฐานจิตตอนนี้ไม่ตั้งมั่นจิตกระจายกว้างๆออกไปดูออกไหมไม่ออกครับรู้สึกไหมลองย้อนมาดูจิตสิมันไม่เข้ามาดูได้จริงหรอกมันวงเวงว่างๆงี้เออมันไปหลงนี่นะไปหลงอยู่ในว่างรับนะมันไม่เข้ามาดูจิตจริงเราะฉนั้นดูมันดูไม่ถึงจิตหรอก ดูกายไว้ก่อนเห็นไหมร่างกายพยกหน้ากายเป็นบ้านของจิตนะพอดูกายก่อนต่อไปมันก็เข้าบ้านคแล้วมันเจอเจ้าของบ้านคือจุดจิตครับตอนนี้ยังดูมาไม่ถึงจิตจริงก่อนนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะคือไม่ได้ส่งกันบ้านมา9้าเดือนแล้วเจ้าค่ะเพอยากจะเรียนถามว่ายังอยู่ในร่องในรอยหรือเปล่าค่ะขี้เกียจหรือเปล่าขี้เกียจัแหละไม่อยู่ในร่องในรอยนะ ก็แต่ว่านั่งสมาธิไม่ได้เลยเจ้าค่ะเพราะว่าเป็นคนฟุ้งซ่านมากเหลอเดินสี่ทำงานบ้านค่ะนะก็ทำแล้วก็ดูไปเรื่อยๆค่ะเออนะแล้วก็ฝึกไปนะอยู่กับพุโทโธก็ได้หาเครื่องอยู่ให้จิตจิตต้องมีบ้านอยู่นะถ้าจิตไม่มีบ้านอยู่จิตหนีไป็นามอย่ตอนนี้จิตไม่มีบ้านอยู่รู้สึกไหมจิตจะกระจายออกข้างนอกนะฟุ้งไป หาบ้านให้จิตอยู่นะอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธไปจิตนี้ไปเรารู้สันจิตนี้ไปเรารู้สันให้จิตมีบ้านอยู่พอจิตเข้าบ้านได้แล้วจิตตั้งมั่นขึ้นมาแล้วเรียกว่าเข้าพอมได้แล้วนะตั้งมั่นขึ้นมาจะเห็นทุกอย่างผ่านหน้าบ้านไปเหมือนเห็นความสุขความทุกข์ไหลผ่านหน้าบ้านไปเห็นกุศลอกุศลไหลผ่านหน้าบ้านไปไม่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยใจก็ตั้งมั่นเองแค่ผู้รู้ผู้ดูอยู่ก็จะเห็นว่าทุกอย่างมาแล้วก็ไปฝึกอย่างนี้นะจิตไม่ถึงฐาน อย่าขี้เกียจ น, นะถ้าขี้เกียจชิดไม่ยอมมาบ้านหลับนวัสการค่ะครั้งสุดท้ายที่ส่งกันบ้านคือเมษาปีที่แล้วค่ะแล้วหลวงพ่อทักว่าใจไม่ค่อยมีแรง ก็เลยมีสวดมน์บ้างฟังซีดีหลวงพ่อและอา่านหนังสือธรรมะแต่ น, นี้ช่วงหลังๆคะ่ะหลวงพ่อมันจะเหมือนกับเห็นอะไรที่เป็นสิ่งที่มีชีวิตะ่ะจะเห็นว่าเออเป็นทุกข์จังเลยแล้วก็เราใจไม่อยากเหาแล้วค่นะแต่นี้ไม่แน่ใจว่าเห็นถูกหรือเปล่าค่ะหลวงพ่อเห็นถูกนะแต่เห็นไม่พอมันยังเบื่อเออ่อยากอยากอยกูอยอยอย่มันยังไม่ไม่เบื่อจริงหรอ ต้องดูอีกนะแล้วใจมีกำลังขึ้นไหมคะมีแรงขึ้นมีแรงขึ้นใช่ไม่ได้ติดกระครองนะคะตอนนี้ไม่ไม่นะคะก็คือแต่ว่าเป็นคนที่นั่งสมาธิไม่ได้อะค่ะแล้วก็เดินสงกรมก็ไม่ได้เท่าพุทโธย์ก็ได้ไม่มีอะไรก็คิดถึงพระพุทธเจ้าไปเรื่อยๆได้ค่ะคิดถึงพระพุทธเจ้าดีมากนะมีที่สุดเลยค่หลวงพ่อได้ค่ะต่อไป กลันััตการหลวงพ่อค่ะส่งการบ้านครั้งแรกค่ะคือประมาณสามเดือนที่ได้ปฏิบัติตามแนวทางของหลวงพ่อค่ะครั้งแรกไปกลับหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อให้ให้ดูตัวอย่างก็กลับมาเห็นอยากไปเยอะแยะเลยอยากกินอยากอยากฟังซีดีอยากขึ้นไปนั่งสมาธิอยากมากที่สุดคืออยากพูดค่ะแล้วก็หลังจากความอยากแล้วก็จะเห็นแวบๆมีวันนึงอะค่ะล้างชาม ล้างชามแล้วก็เห็นเอ๊ะเราเผลอไปคิดแล้วอยู่ๆมันก็เหมือนหนังมันจบเรื่องที่เราจะคิดนะคะมันจบก็มาเห็นมือกําลังล้างชามต่อแล้วก็แวบไปอย่างนี้แล้วก็เห็นมือมาล้างชามต่ออันนี้เห็นถูกแล้วใช่จจกใจเห็นนะค่่เห็นเองไม่เป็นไรค่ะแต่ไม่ไม่เห็นมือล้างเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามือใครคือไม่ได้คิดว่ามือเราหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นแค่วัตถุเป็นรูปที่จิตไปรู้เข้า ค่ะคราวนี้มีมีฟังซีดีหลวงพ่อเพ่อบอกว่าให้ซอยในชีวิตประจำวันเนี่ยให้สั้นขึ้นเช่นไปยกแก้วกาแฟดื่มหรือเดินไปท้ห้องน้ำเนี่ยให้มองเป็นหุ่นยนต์เดินหรือเราดูเขาเล่นฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันเวลาลืมตามันเห็นเป็นเราเดินนะคะไม่เป็นไรใหม่ๆม่ยังเห็นเป็นเราเดินอยู่นะ ไฟหัดรู้หัดดูด้วยแต่ไปเห็นรูปมันเดินไม่ใช่กลักแต่แต่เวลาถ้าหลับตานะคะหลวงพ่อเวลานั่งสมาธิหลับตาเดิมเนี่ยจะจะเหมือนกับลับตาเดินสิไม่ไม่ใช่ค่ะนั่งสมาธิค่ะเวลานั่งหลับตานะคะเดิมจะแบบว่าเดิมค่ะเดิมค่ะจะนั่งนัิน เหมือนดูลมหายใจแล้วก็ห ล, ลับอะค่ะออพอคราวนี้ก็ฟังซีดีของพ่ อ, อ, อพ่อบอกว่าให้ให้ให้ดูความรู้สึกก็เพิ่งเริ่มมาเปลี่ยนนะคะกเ็เห็นเห็นเหมือนตัวเรากับเพื่มกับเพื่อมอยู่นะค่ะ อ, อ, อันนี้นั้นแหละอันนี้คือดูกายใช่ไหมคร<ช>ับถ้นจะมีปัญหาต้องดูกายนั่นแหละเห็นกายมันก็เพิ่มกับเพื่มนะใจมันไปแฝงคนดูเท่านั้นค่ะแต่เวลาจะเห็นไม่มีเราค่ะแต่เวลาลืมตาเนี่ยเวลาอาบน้ําฟอกสบู่ก็จะเห็นเป็นตัวเราอยู่ด้วยมันจะเห็นเป็นอย่างนั้นก็รู้อย่างนั้น ก็รู้ว่าเราฟอกสบู่อะไรอย่างนี้นะดูอย่างนั้นไปเรื่อยต่อไปก็ค่อยไม่เห็นเราพ่อเห็นคยเห็นว่าไม่ไม่ใช่เราะค่นั้นหนูหนูจิตตื่นบ้างหรือยังคะหลวงพ่อเกรงใจเกรงใจไปดูบ่อยๆนะค่ะแล้วแล้วหนูต้องดูตัวอื่นอีกไหมคะหลวงพ่อกิเลสอะไรเกิดรู้บ่อยๆนะคที่ฝึกมาใช้ได้นะใช้ได้ใจมันก็เริ่มตื่นขึ้นแล้วล่ะถ้าหัดบ่อยๆ ตื่ได้ยังหลับได้อีกเวลาหลับก็คือเวลาที่ใจหลงไปคิดน่ะสังเกตไหมเราหลงคิดทั้งวันเลยในขณะที่หลงไปคิดนั่นแหละมันฝันแล้วมันฝันได้ก็แสดงว่ามันหลับอยู่นั่นหนูก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะทําให้มันกระชับกระเชงกว่านี้นะค่ะแอคทีฟหน่อยในการภาวนาค่ะเหนื่อยไปมค่ะพยายามขันแข็งหน่อยสิ้นสิ้นหน่อยค่ะหน้าต่าไป กาบนามัสสะ ก, การครับผมเริ่มฟังซีดีเมื่อเดือนมกราต้นปีนี้นะครับพี่เขามาให้ฟังแล้วก็ปึกปฏิบัติไปบางครั้งมันเห็นกายเป็นท่อนๆนะครับหรือบางครั้งก็เห็นกายมันยืนคุยอยู่กับอีกคนหนึ่งบางทีก็เห็นจิตมันกลาลังหนีออกไปคิด ต่บางครั้งเนี่ยมันกะมันกลับมาดูลมหายใจอของยุบของยุบได้สักพักนึงมันก็กลับไปดูกายเคลื่อนไหวอือยากทราบว่าที่ผมฝึกปฏิบัติมานี่มีข้อแก้ไขต้องปฏิบัติอะไรบ้างครับแค่นี้จิตมันไม่ตั้งมั่นหรือหรืไหมครับนะจิตกระจายกระจายออกไปกว้างๆนะให้รู้ทันจิตที่ดีนะในการเดินปัญญาเนี่ยต้องตั้งมั่น ตอนนี้จิตคล้ายๆจิตออกมานอกบ้านดูออกไหมออกครับเอานะให้รู้ทันว่าจิตออกมานอกบ้านนะยังไม่เข้าบ้านเองครับนะถ้าถ้าเห็นว่ามันออกมาข้างนอกแล้วก็ไม่มีปัญหานะแต่ถ้ายัางนึกว่าตอนเนี้จิตตั้งมั่นดีแล้วอะไรอันนี้มีปัญหาล้ก็คือตามรู้ไปเรื่อยๆว่าออกนอกบ้านก็รู้ใช่ใช่ใชจิตสง่งออกเรารู้ว่าจิตสง่งออกไม่ใช่ได้แล้วล่ะครับดีขอบพระคุณครับถ้าต่อไป าการหลพ่อครับฝึกมาสองปีครึ่งนะครับใช้จิตที่หลงกับจิตที่ร<ม>ู้มาฝึกนะครับอ<ม>ก็ได้สติได้สมาธิแต่ไม่มีปัญญาฝึ<ม>ก่าสองปีจนนั่งสาบยืนที่แล้วเนี่ยก็ลองลองพลิกมาดูว่าจิตที่หลงเนี่ยมันเป็นนัตตตามันเกิดขึ้นมาเองมันก็ดับไปหน้าเนี่ยต้องช่วยมันคิดก่อนใช่ไหมแล้วพอพอดูเองนียก็มีความสุขนะน่งมีความสุขสุขขนาดที่ว่า นั่งทํางวันกันยังได้แต่ทำมาสามเดือนครับไม่ทราบว่าทําผิดหรือไม่ผิดแต่อย่าให้ติดสุขก็แล้วกันเราพูดกเจ้าบอกว่าให้รู้ทุกเนีแต่เราเรียนแค่ความร่องไปนะแค่นําร่องให้มันดูว่าจิตนี้ไม่ใช่ตัวใช่ตนหรอกการที่เห็นจิตมันไม่ใช่ตัวใช่ตนนะเราจะรู้เลยจิตเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วดับไปนะเ็นแต่ของไม่เที่ยงบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวสุขที่แท้จริงนี่เราเห็นในจิตนั่นแหละเป็นตัวทุก แต่ในใตัวผู้รู้ที่ไปเห็นนะมีความสุขได้นะว่ารางกันนะี่คิดว่าจะดูผิผดเลยเพราะไม่ผิดจมูกจะไปจะไปอุเบกขาแต่ถ้าสุขตลาดชีวิตรีบไปปรึกษานะถ้าแปลว่าทาผิดเราติดสุขกรบขอบคุณมากครับท่านกราบหลวงพ่อครั บ, ขอขอรบช่วงนี้ผมเกิดอาการจุกแน่นที่หน้าอกครับดูทีไรก็แน่น โอ้อย่าบังคับมันแรงไม่สบายหรือเปล่าไม่นะครับหรือถ้าร่างกายแข็งแรงดีดูทีไรแน่นทุกทีแสดว่าจงใจดูจงใจดูจงใจจ้องจงใจไปบังคับมันถ้าดูเล่นๆดูแบบไม่มีส่วนได้เสียดูเหมือนดูคนอื่นดูสบายๆก็จะไม่แน่นหรอกมันมันแน่นอร่อดเลยนะครับเนอเนี่ยขนาดนี้มันบังคับอยู่นะ ถ้าบังคับอยู่ตรับใดก็แน่นอยู่จาบนั้นนะดูเล่นๆดูสบายๆดูให้มันมีความสุขไปดูมันดูคนอื่นเห็นไหมมันพยักหน้าดูเล่นๆนะถ้าจงใจดูอยจะแน่นให้ดูให้เป็นธรรมชาติมากขึ้นเพื่อลดความแน่นลุต้องต้องฝึกกรรมฐานอะไรเพิ่มไหมเคลื่นไหวนะขึ้นไหวแล้วเห็นร่างกายไม่ใช่ตัวเราบ่อยๆดูไปเรื่อยครับขอบคุณ นั่นคือการหลวงพ่อค่ะสงการว่าหลวงพ่อเมื่อหกเดือนที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าเห็นจิ ต, จตที่ทํางานแล้วแต่ว่ายังไม่เห็นว่าจิตไม่ใช่เราก็<ม>ปไปดูตรงนี้คือช่วงนี้มันเห็นความคิดแบบอยู่ห่างๆางลอยๆออกเออแต่ยังให้ลอยไก ล, กลเดินไปนะขณะนี้ลอยไก ล, ก ล, กลเกินไปค่ ะ, ะมันฟุ้งไปล่องๆ ล, ลอยๆไม่ได้นะ ตัวให้กชับกระเฉงเลช่วงนี้สมถะไม่ค่อยได้ทำเธอต้องทำนะะจิตมันฟุ้งซ่านไปแล้วก็วางบางครั้งอย่างเวลาขับรถจะเห็นจิตจิตมันดับลงไปที่ตายนะคะ อ, อย่างนี้เห็นถูกแล้วใช่ไหมจิตเกิดที่ไหนก็ดับที่นั้นจิ ต, ท, ตที่ตาเกิดที่ตาก็ดับที่ตาจิตเกิดที่หูก็ดับที่หูเกิดตรไหนาดับตรงนั้นแสดงว่าที่เห็นนี่ยังเห็นจริงไม่ได้คิดไปใช่มค่ะเห็นจริงจังค่ะ แล้วก็หลวงพ่อมีคำแนะนำอะไรเพิ่มเติมไหมเจ้าค่ะมีนะฮะภาวนาเยอะเยอะเจ้าค่ะภาวนาด้วยใจที่กระฉับกระเฉงนะใจซึมไปเ ีมงนอนนะคะอ๋อง่วงนอนไงม่วงในเวลานี้ฟังธรรมะแล้วง่วงหายากนะฟังหลวงพ่อเทศแล้วง่วงถือเป็นเอตตะทะกะเลยน่าตอบใครครับเป็นค่ะรทศกาลหลวงพ่อค่ะขอส่งการบ้านเป็นครั้งแรกค่ะคือปฏิบัติมาระยะหนึ่งในช่วงแรกๆเนี่ยพอเรารู้ตัว ก็คือจะดูที่อยู่ความคิดนะคะรู้ว่าคิดความคิดดับก็จะรู้สึกพอใจเพราะมันจะนานๆครั้งพอมาระยะหลังนี่คือพอรู้ว่าคิดถี่ขึ้นนะคะแต่ว่าจะเริ่มรู้สึกไม่พอใจว่าไปคิดอีกแล้วอะไรเนี้ยโอไปห้ามได้ยังไงจิตมีหน้าที่คิดนะ ถ้าเกิดคิดไม่เป็นน่ารุ่มใจมากกว่าค่ะจิตมันมีหน้าที่คิดอย่าไปห้ามมันเพียงแต่ว่าคนทั้งโลกเนี่ยพอไปคิดแล้วมันเป็นหลงจรงจิงจอยู่ในโลกของความคิดมันไม่รู้หรอกว่านั่นเป็นความฝันลมๆแรงๆนั้นคิดก็คิดไปนะก็ให้รู้ว่าตอนนี้ไม่พอใจเออรู้ว่าไม่พอใจ ค, ค่ะอีกคําถามหนึงคือเวลาจะตรวจสอบเองว่าเรามาถูกทางหรื อ, อยังหรือว่า เดินผิทางนี้เราจะตรวจสอบตัวเองยังไงคะการตรวจสอบตัวเองเนี่ต้องมีมาตรฐานของการตรวจสอบใช่ไหมอย่างเราจะตรวจสอบอะไรสักอย่างต้องมีมาตรฐานในการตรวจสอบก่อนมาตรฐานการตรวจสอบการปฏิบัติเนี่ยต้องดูที่คําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างน้อยนะเราต้องมาสํารวจกัน เราทำผิดศีลหรือว่าไม่ผิดศีลนะเราฟุ้งซ่านหรือว่าจิตใจของเราอยู่กับเนื้อกับตัวตั้งมั่นสงบนะเราเห็นรูปเห็นนามเห็นกายเห็นใจทำงานหรือเราลืมกายลืมใจหรือว่าเราเข้าไปแทรกแซงกายแทรกแซงใจถ้าเราเห็นกายเห็นใจทำงานเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของมันเรือเดินอยู่ในทางสายกลางถ้าเราหลงไปลืมกายลืมใจเื่อขาดสติหย่อนไป หย่อนไปรวมไปหรือเราไปเพ่งไปจ้องกายช่องใจไว้ตื่นเกินไปดูให้มันเป็นสายกลางสายกลางไม่ไม่หลงไปไม่เผลอไปเราไม่เพ่งเอาไว้เนี่ยสำรวจตัวเองสํารวจต่อไปอีกภาวนามาตั้งนานมีแต่ความสุขท่านพระพุทธเจ้าสอนบอกว่ารู้ทุกทาไมภาวนาแล้วมีแต่ความสุขต้องเฉลียวใจแล้วว่าเป็นหลงอะไรอยู่สักอย่างหนึ่งค่อยๆสังเกตตัวเองไปถ้าเราทําอะไรผิด หลวงพ่อมีคำแนะนำอะไรเพิ่มเติสมสำหรับการปฏิบัติไหมคะต้องขออยันว่านี้นะค<อ>่ะขออยันน้อยไปค่ะขอบคุณค่ะใช่ไหมใช่ค่ะ <c oughs> จะไม่ค่อยมีวินัยเท่านั่นแหละเัวจะไตัดเลยค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะมาสการครับผมปฏิบัติแนวหลวงพ่อมาประมาณ3าปีกว่า น, นะครับทีนี้ก็ยังยังห ล, ล, ล, ลงหลงหลงนานนะครับ พวันหนึ่งก็คงจะรู้สึกตัวได้ไม่ไม่ไม่นนะครับทีนี้คือโดยปกติเนี่ยชอบคิดว่าตัวเองเป็นคนดีอะไรเงรี้ยแล้วก็เล ย, เลยชอบติดสุขอะไรเงระะี้ยน้ครับก็เลยอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ใหใหใหการปฏิบัติไป ไ, ไม่ค่อยดีหงไงครับดูบ่อยๆก็แล้วแั่นะดูบ่อยๆพระพุทธเจ้าท่านไม่เสรเสริมความดีที่คงที่ที่ยดนิ่งไม่ต้องนับความดีที่เสื่อมถอยนะ แต่ความดีที่คงที่ท่านยังไม่สัลเสริญเลยท่นมองเพราะนั้นถ้าสามปีครึ่งเหมือนเดิมต้องต้องขยันเลยนี้แหละต้องสํารวจะว่าอะไรเราหย่อนกิเลสอะไรเรายังไม่ได้ละกุศลอะไรเรายังไม่ได้เจริญค่อยๆสํารวจไปนะเช่นแบบขาดวินัยสมมุตินะถ้ามีวินัยแล้วทุกวันภาวนาภาวนาด้วยความโลภหรือเปล่าหัวปากหัวปั้มมึนไปหรือเปล่าอะไรนี่ค่อยๆสังเกตนะ คือค่อยดูเอากุศลอะไรยังไม่ได้ทําก็ทําอกุศลอะไรยังไม่ละก็ละใช่ไหมสำรวจสารวจได้ไหมครับได้ครับลองนะลองดูครับครับหลวงพ่ออยากให้ลูกศิษย์ทุกคนนะช่วยตัวเองให้มากเจเราชาวพุทธนะชาวพุทธเนี่ยหลักสําคัญคือการช่วยตัวเองแต่ว่าเราจะช่วยตัวเองสเปซสปะไม่ได้มันไม่ใช่ภูมิของเรา เรารู้ธรรมะด้วยตัวเองไม่ได้แล้วเราต้องเรียนสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนพระพุทธเจ้าสอนอยังไงเราต้องศึกษาท่านสอนให้มีศีลสมาธิปัญญาแเราก็ต้องมีศีลมีสมาธิมีปัญญารู้วิธีที่จะให้มีศีลขึ้นมาคือตั้งใจงดเว้นการทาบาปอาบุญศรทางกายทางวาจารู้วิธีที่จะให้เกิดสมาธิขึ้นมา สัตรูของสมาธิคือความฟุ้งของจิตฟุ้งไปในความบ้างฟุ้งไปในความไม่พอใจบ้างฟุ้งไปในความรังเลสงสัยบ้างฟุ้งแบบจับจดจับอารมณ์ไม่ถูกบ้างซึมๆไปบ้างแล้วก็มีสติรู้ทันันให้จิตใจมันมาตั้งมั่นอยู่กับเนื้อตัวค่อยๆพัฒนาขึ้นมาไม่ใช่เอาแค่สงบ สมาธิที่ดีไม่ใช่แค่สงบสงบไม่พอสงบมีมากกว่าพระพุทธเจ้าอีกเราต้องฝึกสมาธิจนกระทั่งจิตเนี่ยสามารถตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูได้ถ้าจิตมันตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาได้นะมันจะไปเจริญปัญญาต่อได้การเจริญปัญญาเนี่ยก็คือการที่เรามีสตินี่แหละคอยรู้ตายคอยรู้ใจอย่างที่มันเป็นดูบ่อยๆเราจะรู้ตรงตามความเป็นจริงอย่างที่มันเป็นได้ เราต้องไม่เปลเฟลไปถ้าเฟลเราก็ลืมกายลืมใจเราต้องไม่ไปเพ่งไปจ้องบังคับกายบังคับใจให้นิ่งเราดูความเปลี่ยนแปลงของเขาไปเรื่อยทำตัวเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูถึงจุดหนึ่งจะเห็นเลยร่างกายนี้มันทำงานของมันเองนะจิตใจก็ทำงานของมันในไปเองไม่มีตัวเราที่แท้จริงฝึกอย่างนี้บ่อยๆตอนนี้กดอยู่ทราบไมยยกดจิตปกติจิตเหมือนตอนนี้ไหมของโยม ตอาอย่างนี้ประคองไว้ถ้าประกองอยู่อนี้อยู่เป็นปีเลยนะมันจะนิ่งๆมันนิ่งกว่าความเป็นจริงยมนึกถึงสมัยตอนเป็นเด็กๆสมัยที่ยังภาวนาไม่เป็นนึกถึงจิตใจแบบนั้นออกไหมออกครับนั่นแหละกลับไปมีจิตใจแบบนั้นแต่ต่างกเด็กนี้เดียวเด็กเนี่ยมีจิตใจกระทบอารมณ์อย่างนี้ดีใจกระทบอย่างนี้เสียใจแต่เด็กไม่เคยรู้ทัน ของเราผู้ปฏิบัตินะมีสวมหัวใจแบบเด็กไว้ซื่อเด็กนี่ซื่อน้ําไม่มันยาเด็กมันโกรธก็คือโกรธมันรักก็คือรักแต่ว่าเราไม่ใช่ออกมาทางกายทางวาจาไปละเมิดคนอื่นเรามีสติรู้ทันจิตมนโลภขึ้นมาก็รู้จิตมันโกรธขึ้นมาก็รู้จิตมันเป็นยังไงก็รู้ใช้จิตธรรมดาธรรมดาจิตที่เหมือนเด็กๆต่างกับเด็กนิดเดียวตรงที่เราคอยรู้ทันมันมีสติรู้ทันมัน หลวงพ่อพุธใครรู้จักใครรู้จักหลวงพ่อพุธดูโดยวัยก็น่าจะรู้จักนะอาพยุเฉลี่ยงไม่ใช่น้อยห้องนี้หลวงพ่อพุธสอนกรรมฐานดีมากเลยท่านบอกยืนเด ER ินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดใครคๆได้ยินไปอย่างนี้ถ้าลูกศิษย์หลวงพ่อพุธจะต้องได้ยินพูดทุกวันเลยยืนเด ER ินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดเลย ใครๆก็เป็นอย่างนั้ใครๆก็ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดทุกวันแล้วเป็นกรรมฐานตรงไหนว่าเป็นกรรมฐานตรงที่มีสติตามรู้มันไป ร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนร่างกายกินร่างกายดื่มร่างกายทำร่างกายพูดมีสติรู้ทันว่าร่างกายมันทำนะไม่ใช่เราทำไม่ใช่เรายืนเราเดินเรานั่งเรานอนแต่ร่างกายมันยืนมันเดินมันนั่งมันนอนมันไม่ใช่เราร่างกายมันพูดไม่ใช่เราพูดเนี่ยเพอมีสติตามดูมันไปก็เห็นมันทำงานอะไรมันพูดอะไรมันคิดจิตมันพูดจิตมันคิด จิตมันพูดทั้งวันมีใครจิตไม่พูดมีไหมจิตมันคิดทั้งวันนั่นแหละมันพูดแจ๊วแจ๊วตลอดเวลามันคิดเหนื่อยมันคิดดีเดี๋ยวมันคิดร้ายเดี๋ยวมันคิดปรุงสุกปรุงทุกข์นะปรุงดีปรุงชั่วขึ้นมามันมีหน้าที่ปรุงตลอด คนที่ภาวนาหรือคนที่ไม่ภาวนาจิตก็พูดทั้งวันจิตก็ปรุงดีปรุงชั่วทั้งวันเหมือนเหมือนกันความต่างมีอยู่นิดเดียวก็คือผู้ไม่ภาวนาเนี่ยไม่รู้ไม่เห็นในขณะที่ผู้ภาวนารู้ทันจิตตัวเองจิตพูดขึ้นมาก็รู้จิตปรุงดีปรุงชั่วปรุงสุขปรุงทุกข์ขึ้นมาก็รู้รู้ทันอย่างที่มันเป็นเรื่อยไปร่างกายยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดพูดเป็นตัวร่วมนะร่างกายพูดด้วยจิตมันพูดก่อน แต่บางคนพูดก่อนจิตเองนะปากไวอย่างผู้หญิงบางคนนั้งแต่งงานนานๆนะติดปากแ้แก่แ้แก่ต้องไปเจไหนเนียเนี่ยร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดแล้วมีสติเห็นเลยร่างกายมันยืนไม่ใช่เรายืนร่างกายมันนั่งไม่ใช่เรานั่งดูไปดูไปจนมันถอนความเห็นจิตในรั้งกายทั้งใจนี้ไม่ใช่เราหรอก มันทำงานของมันได้เองดูจะเห็นเลยทั้งกายทั้งใจทั้งรูปทั้งนามเนี่ยทำงานของมันเองหรอกมันไม่ใช่คนมันไม่ใช่สัตว์มันไม่ใช่เราไม่ใช่เขางั้นที่ท่านสอนนะบอกยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดให้มีสติรู้ทันเป็คคำสอนที่ดีมากเลยสอนให้เจริญสติในชีวิตประจำวันนี้เองเหมาะกับคนในเมือง ที่หลวงพ่อสอนทวกเราทุกวันนี้ก็เอาคำสอนของผู้บาอาจารย์นี่แหละมาสอนโดยภาษาจะเปลี่ยนให้ทันใจวัยรุ่นมากขึ้นเท่านั้นแหละเนื้อเ็นเนื้อเดิมนั่นแหละ ถ้าย้อนไปก็คือคำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนนั่นแหละท่านกะสอนนั่นแหละพิสูจทั้งหลายดูกระพิสูจทั้งหลายพลวพ่อยังบดูกราญาติโยมทั้งหลายไม่มาดูเราันีไปหมดดูกราพิสูจทั้งหลายเนี่ยหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาวนียร่างกายเป็นธรรมใช่ไหมนี้ร่างกายเป็นธรรม พิสูจทั้งหลายเมื่อยืนอยู่ก็รู้ชัดว่ายืนอยู่เมื่อนั่งอยู่ก็รู้ชัดว่านั่งอยู่ก็เหมือนที่หลวงพ่อพูดสอนเม่อนี้ยืนเดินนั่งนอนก็มีสติรู้ทันไปรู้ชัดหมายถึงอะไรรู้ว่าจริงๆมันไม่ใช่คนนะจริงๆมันแค่รูปยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่คนยืนเดินนั่งนอนเนี้อถ้ารู้นะสิ่งที่หลวงพ่อพูดสอนก็คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนสิ่งที่หลวงพ่อบอกวันนี้ก็คือสิ่งที่หลวงพ่อพูดเคยสอนหลวงพ่อมานั่นแหละอันเดียวกันทั้งนั้นแหละ ไม่ใช่ของแปลกประหลาดพิเศษวิโสอะไรเกินพระพุทธเจ้าไม่เกินครูบาอจารย์ไปหรอกหมดแล้วเนาะดีแล้วล่ะถึงได้ประกอบพิธีเลิกได้กลับไปทำงานตามเวลาที่หมดลมพ่อสรุปสักสิบนาทีแล่าจะพอดีเวลาพอดีแล้วดังั้นพวกเราเดี๋ยวกล่าวคำถวายสังฆทานด้วยกันนะครับตั้งน้าโมพร้อมกันครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะ สัมมาสัมพุทธสัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัสสะพวกเราเกล่าวคำถวายสังฆทานพร้อมกันกนะครับขอกราบเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าภูมสงฆ์เดี๋ยวหลังจะกล่าวคำถวายสังฆทานขอเรียนเชิญมาประเคนจีวรนะครับเดี๋ยวเราเกล่าวคำถวาย ข้าพสังพร้อมกันครับอิมานิเมยังพันเตปังสกุละจิวารานิสัปปาริวารานิพิกุสังคสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตพิกุสังคโคอิมานิ สุกุลจิวาราณีสัพปริวารานีปฏิคันหาตุอหากางทีฆรัตังอตายะสุขายะฆ่าแต่ระสง์ผู้ บังุกุลจีวรกับบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าบังสุกุลจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ขอข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์ ควแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ <Kaiser S 2> ้นกาลละนานเทิงยินเชิญครับหยกและพรอเียนเชิญนั่งกันแม่ทันเวลาไปทำงานไม่เบียดบังนะบางคนเสียใจเลื่อเร็วไม่ได้อูงาน ยถาวาริวะผูรับปริปูเรนตีสักระังเอวเมวายโตจินังเปตานังอุ ปปติอิจิตังปะติตังตุมหังคิพเมวะสมิจตุสภพปูเรนตุสังกปจันโทปนรโสยธามิชตรโสยธาสพีติโยวิวัชันตุสโรโควินาสตุมาเตภวัวันตรายสุขีทีขายุโภภวะอภิวาทนาสีลสนิตจังุทาปจายโนจตารุธมาวัันติอายุวโนสุขัง พลัง